ในอัตถกถามหาสัจกะสูตรเนี่ยนะมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาจจึงกล่าวถึงว่ากล่าวตามที่พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นอะ่ะไม่ได้มีใจเพลิดเพลินยินดีในหมู่บริษัททั้งหลายเลยเนี่ยนะช่วระยะเวลาที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะเรียกว่าว่างจากเวลาแสดงธรรมแม้กระทั่งสองอสองลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะพระองค์ก็เข้าสมาบัติได้แล้วอ่างั้นนะ ชั่วลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็เข้าสมาบัติได้แล้วสมาบัติอันนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะเนื่องท่านพระองค์เนี่ยเป็นผู้กําหนดรอบรู้กองทุกสารพัดชนิดกองทุกเหล่าใดที่มีอยู่ในภพสามกำเนิดสี่เนี่ยนะพระองค์รอบรอบรู้ทั้งหมดแล้วก็ละเหตุที่ที่เป็นเยื่อใยฉันทราคะที่ทําให้พระองค์เองอ่ะต้องไปเกิดในภพกําเนิดคติวิญญาณทิติเหล่านั้น เนื่องจากพระองค์เนีเจริญอริยมรรคเนี่ยนะเจริญคุณธรรมที่นําออกจากทุกเจริญมรรคที่รู้อริยศาสตร์เนี่ยนะเจริญกุศลธรรมที่นําออกจากทุกพระองค์จึงทําให้แจ้งซึ่งนิโรธคือพระนิพพานพระองค์ได้เรียกว่าเป็นผู้มีเวทเพราะว่าพระองค์นั้นกองทุกทุกชนิดพระองค์ก็รอบรู้หมดแล้วสมุทัยทุกอย่างพระองค์ก็ละเสร็จแล้วอริยมรรคคุณธรรมที่นําออกจากทุกพระองค์ก็เจริญ ทำให้เจมแจ้งแล้วนี่โรดเนี่ยนะเป็นธรรมที่ดับดับทุกข์ดับว่าตาพระองค์ก็ทาให้แจ้งเสร็จแล้วพนพระองค์จึงรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งทั้งปวงกำหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนดรอบรู้ทั้งปวงละธรรมที่ควรละทั้งปวงเจริญธรรมที่ควรเจริญทั้งปวงแล้วก็ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งทั้งปวงเช่นธรรมที่รู้ยิ่งนะพระองค์รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ไล่ตังแต่อะไรบ้างอ่า น, นะทำหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งก็สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารทำสองที่ควรรู้ยิ่งก็คือท่าสองทำสามที่ควรรู้ยิ่งคือท่าสามทำสี่ที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจสี่ทำหที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะห้า 5, ทำหที่ควรรู้ยิ่งก็คืออ่นานะอนุตริยะหกทำเจดที่ควรรู้ยิ่งก็คือนิทัศเจ็เป็นต้นนั้นพงค์ รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งจัดแบ่งประเภทจำแนกเป็นหมวดหมู่โดยนิยต์ต่างๆได้แล้วอันพระ อ, องค์จึงรับกาหนดรอบเพราะอะไรพระ อ, องค์กําหนดรอบรู้ในสิ่งที่ควรกําหนดรอบรู้ทั้งสิ้นเนี่ยนะตั้งแต่ทำหนึ่งที่ควรกําหนดรอบรู้คือผัรษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะทำสองที่ควรกําหนดรอบรู้ก็คือเวทนาเวทนาสามทำสี่ที่ควรกําหนดรอบรู้คืออาหารสี่ ทำห้าก็คือขันห้าทำหกก็อายตนะภายใน6กทำเ7ก็คือวิญญาณที่ฐิเจ็ดทำแปโลกธรรมแปดทำเกคือสตาวาฏ9าก้าทำสคืออายตนะสิเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็กําหนดรอบรู้สิ่งเหล่านั้นเนื่องจากพระองค์รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งดังกล่าวไปกําหนดรอบรู้สภาพของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงรอบรู้พระองค์จึงตัดฉันทราคะละสิ่งที่ควรละ สิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะเพราะสิ่งที่ควรละก็คืออัศมิมานะพระองค์งละสิ่งที่ควรละได้แล้วนะพระองค์นั้นละสิ่งที่ควรละคืออัสมิมานะละสิ่งที่ควรละคือวิชากับภวะตัญหาที่นำไปสู่พบพระองค์งละสิ่งที่ควรละคือโ ok อคาสีนะที่ทำให้สัตว์นี่จมลงอยู่ในวัตตะพระองค์งละนิวรหเป็นเครื่องเศร้ามองละตันหากายห ที่ทําให้ผูกพันอยู่ในวัตฏะพระองค์จึงละอนุสัยทั้งเจที่เป็นกิเลสเรี่ยวแรงที่ทําให้ออกจากวัตฏะไม่ได้พระองค์จึงละข้อปฏิบัติผิดผิดทั้งหลายได้สําเร็จละเลิกละการสแสวงหาด้วยตันหาเป็นเป็นมูลที่ทําให้เกิดการสแสวงหาเป็นต้นมันทั้งสังโยชนิสิอนุสัยสิบมิจฉาตสิบสังโยชนิสิบเนี่ยนะอกุศลกรรมบุตรสิบหรือสัก พิฐีทั้งหลายมีวัตถุสิบบาปอากุโสลธรรมทุกชนิดโปร่งจึงละได้หมดเลยไม่มีขันอายตนะธาตุเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลธรรมทั้งปวงของพระองค์เนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยนะกหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกาหนดรอบรู้ละสิ่งที่ควรละพระองค์จึงสามารถเจริญคุณธรรมทั้งปวงนะในทุกทวารและก็ทุกอารมณ์ พระ อ, องค์เจริญสิ่งที่ควรเจริญไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติเนี่ยนะในโลกของรูปปัจขันธ์ทุกชนิดพระ อ, องค์ดํารงอยู่ด้วยกายคตาสตินะพระ อ, องค์ดารงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาบรรทถ้ทั้งนามทั้งรูปพระ อ, องค์ก็เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาพระ อ, องค์เจริญทั้งสติปทานสีสมมาปทาน4อิทิบาท4เจริญอินทรี่ห้พละหเจริญอนุสติ6เจริญโพชองเจ็เจริญอริยมรรค8 นะแล้วก็เจริญโยนิโสเป็นมูล9เจริญความเพียรอันเป็นเหตุให้บริสุทธิ์อีก9เจริญเอ่อเจริญกสินสิเนี่ยนะหรือคุณธรรมเหล่าใดอ่าในหมวดหมู่ต่างๆถ้ามาจัดเป็นหมวดหมู่แต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญคุณธรรมเหล่านั้นพระองค์เจริญทําให้บริบูรณ์ทําให้ไพ่บูรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะพระองค์จึงได้ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้ง ดำรงอยู่ในภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, เ, านะเช่นอากุปปาเจโตวิมุตตก็คือพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่ประพฤติปฏิบัตนะิโดยที่ไม่มีผู้บอกผู้กล่าวผู้โอวาทแนะนำสัง่งสอนพระองค์จึงสามารถเจริญทำให้แจ้งคุณธรรมเหล่านั้นโดยลำพังพระองค์เองแล้วก็ยังมีใจกรุณาน้อมไปเพื่อจะสงเคราะห์โมเวนยสัต ท, ทั้งหลายผู้ควรแก่การสอน ในพระไตรวิฎกเนี่ยนะที่จริงท่านใช้คําค่อนข้างระมัดระวังท่านใช้คําว่าเวนัยศัตร์เวนัยศัตร์แปลว่าวินยัยก็แปลว่าสัตว์ผู้ควรแก่วินยัยแปลว่าสอนได้ไม่ใช่เที่ยวสอนมั่วสอนแบบคนที่เรียกว่าสเปะสปะเป็นต้นไม่ใช่สอนคนที่พอสอนได้บอกคนที่พอบอกได้เนี่ยนะพระ อ, องค์ก็แนะนําคนที่พอบอกพอสอนได้ มันพระองค์นี้ดำรงอยู่ในภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้บริบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นอย่างที่เรารู้อยู่แล้วคุณธรทำเหล่านี้เนื่องจากว่าพระองค์ได้ทำให้แจ้งพุทธภาวะทั้งปวงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอริยผลสี่พระองค์ก็เจริญเสร็จสิ้นแล้วอนอาเสขธรรมกองแห่งพระอเสขะธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ทาให้แจ้งแล้วนลังของพระขีณาสพทั้งหลายพระองค์ก็ เจริญให้บริบูรณ์แล้วอภิญญาหกวิโมก8ปอภิพภายัตนาแปดหรือแม้กระทั่งว่าอาเศขะธรรมสิบเนี่ยนะคุณธรรมที่เป็นของพระอเศขะทั้งหลายเหล่าใดอเสขะคือผู้สำเร็จการศึกษ า, านะเหล่าใดพระองค์เนี่ยเจ ร, ริญได้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมมันพระองค์จึงมีคุณธรรมที่อยู่ภายในไม่ใช่น้อยคือมีมากมายหาประมาณไม่ได้เป็นธรรมที่มาก คุณธรรมเหล่านี้มากบริบูรณ์จริงๆพระองค์มีคุณธรรมเหล่านี้ที่ลึกคุณธรรมเหล่านั้นะประมาณไม่ได้ยากที่บุคคลทั่วไปจะอย่างถึงแล้วก็เป็นธรรมที่มีธรรมรัตนะมากจริงๆใจของพระองค์นั้นบริบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยธรรมรัตนะเปรียบเหมือนทะเลหลวงเนี่ยนะทะเลหลวงเนี่ยมีรัตนะมากในโลกนี้ไม่มีทรับเหล่าใดที่จะมากเท่ากับทะเล ในทะเลเนี่ยทรัพย์มากที่สุดรัตนะมากที่สุดทะเลก็ลึกมากเนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลมากฉันใดพระพุทธเจ้าก็กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลึกซึ้งด้วยคุณธรรมทั้งหลายนยะเดียกนหนึ่งพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ด้วยฉลังคู่เบกขานนะอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยองค์6ประการเรียกว่าอุเบกขาแบบคนที่มีสติสัมปชัญญะในะวารทั้ง6เนี่ยนะ พระองค์นั้นมีสติสัมปชัญญะในทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและก็ทวารใจอย่าที่เราฟังมาแล้วว่าพราะองค์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรแต่อินทรีย์สังวรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่สักว่าระวังบาปอกุศลธรรมธรรมดาแต่ว่าดํารงอยู่ในภาวะฐานะแห่งผู้มีสติสัมปชัญญะในทวารทั้ง6เนื่องจากพระองค์มีสติสัมปชัญญะทั้งหเอ่อทั้งหมด ในทวารทั้งหเนี่ยนะพระองค์น้อมไปเพื่อเจริญคุณธรรมเหล่าใดในทุกทวารทั้งหลายเหล่านั้นก็ทําได้หมดเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเจริญคุณธรรมเหล่านี้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์พระองค์เห็นเนี่ยนะอย่างทวารตาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็มองเห็นเหมือนคนธรรมดาเห็นเนี่ยนะในในวิสัยทัศนวิสัยของคนเห็นเนี่ยนะสีทั้งหลายและพระองค์เห็นยิ่งกว่าคนทั้งหลายเห็นด้วย ถึงพระองค์เห็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ดีใจด้วยอภิชาไม่เสียใจด้วยโทมนต์วางเฉยด้วยสติและสัมปชัญญะเนี่ยนะคือมีสติสัมปชัญญะรอบรู้สิ่งสิ่งที่เห็นในทวารทั้งหมดเนี่ยนะดำรงอยู่ในภาวะแห่งผู้มีปัญญาได้ยินเสียงด้วยหูเนี่ยนะเสียงทุกชนิดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมนต์ ไม่เป็นที่ต้านแห่งโสมนัตโหม ณ, มณ์แต่พระองค์ดํารงอยู่ในภาวะวางเฉยด้วยอํานาจสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะฟังเสียงปับ๊บรอบรู้หมดเลย ว, ว่าเสียงอันนั้นเน่ยเสียงอันนั้นมีองค์ประกอบอะไรเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นสมุทฐานเนี่ยนะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะที่จะเจริญคุณธรรมเหล่าใดให้เพียบพร้อมภัยบู์บริบูรณ์ในทวารทั้งหลายเหล่านั้น อันพระองค์เนีดมกลิ่นด้วยคานะคือจมูกเนี่ยนะกลิ่นทุกชนิดเนี่ยพระองค์ก็รับรู้ว่ากลิ่นแต่และอย่างนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อพระองค์รู้กลิ่นแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจดำรงอยู่ในภาวะแห่งผู้วางเฉยด้วยสติและสัมปชัญญะสติของพระองค์นั้นมั่นคงน้อมไปจะเจริญว่าปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลใส่ใจว่า ปฏิกูลอย่างเดียวก็ได้ใส่ใจว่าไม่ปฏิกูลก็ได้จะใส่ใจทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอย่างเดียวก็ได้เนี่ยนะคือจะใส่ใจด้วยสมถะก็ได้จะใส่ใจด้วยวิปัสสนาก็ได้จะใส่ใจด้วยอัศวะก็ได้จะใส่ใจด้วยอนิจจสัญญาจะใส่ใจด้วยเมตตาหรือมณสิการโดยความเป็นธาตุพระองค์น้อมมณสิการเหล่าใดก็ชํานาญคล่องแคล่วในทุกถารเนี่ยนะถารตาหูจมูกเล้นกายเนี่ยนะเห็นสีเนี่ย จะใส่ใจโดยขันอายตนถ้าจะใส่ใจโดยเมตตาจะใส่ใจโดยกรุณามุทิตาอุเบกขาจะใส่ใจด้วยคุณธรรมเหล่าใดพระองค์ก็ใส่ใจในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะพระองค์เนี่ยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ไม่มีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสเหล่าใดที่มาจากทวารใดๆ ไ, ไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจที่จะทาให้พระองค์ดีใจหรือเสียใจ โปร่งจึงนำรงอยู่ในภาวะของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะวางใจเนี่ยนะวางใจด้วยอำนาจอุเบกขาได้อุเบกข า, าแบบมีสติแล้วก็สัมปชัญญะไม่ใช่เฉยแบบคนโง่เคลาเบ า, บาปัญญาเฉยแบบอะนะเฉยเมินเฉยชินกเรียกว่าชินชาเมินชาก็เรียกว่าเรียกว่ายิ่งกว่าน้ำชาอีก น, นะชาแบบประเภทชาจืดชืดเย็นสนิทไร้คุณภาพอะไรไม่ใช่แบบนั้น แต่ว่ามีสติสัมปชัญญะน้อมไปเจริญคุณธรรมทั้งปวงได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเวลาที่พระองค์เห็นรูปทั้งหลายที่น่าพอใจด้วยจักสุนะนะอย่าว่ารูปธรรมดาเลยรูปแม้กระทั่งรูปที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นรูปของพรหมทั้งหลายพระองค์ก็ไม่ติดใจ น, นะไม่ติดใจสยบหมกมุน่นมันจึงไม่ไม่รักใคร่ด้วยอำนาจราคะ ไม่ทรงอย่างราคาให้เกิดพระองค์เนี่ยมีกายมั่นคงเต็มที่มีใจมั่นคงเต็มที่ทั้งกายและใจของพระองค์คือทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยนะดารงอยู่ด้วยดีในภายในผลวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบนะผลวิเศษแล้วเพราะรอบรู้หมดแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรพรัะพระองค์เห็นรูปนั้นนะ่ะทีนี้อีกในยะหนึ่งถ้าจะพระองค์เห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจทั้งหลาย นเป็นเห็นรูปที่หน่ารังเกียจเห็นรูปที่หน้าขยะขยงเห็นรูปที่เรียกว่าโดยปกติเป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆานิมิตเนี่ยนะก็รูปที่ปฏิกูลหน้ารังเกียจหน้าขยะขยงเรียกว่าไม่น่าสนใจอ่ะนะเป็นที่ตั้งแห่งความรังเกียจหรือรูปที่เราไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจเมื่อพระองค์เห็นแล้วก็ไม่ไม่มีโทสะไม่มีใจขัดเคืองมีใจไม่ ไม่หดหูเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยนะถ้าพูดแบบคนธรรมนาทั่วๆไปเนี่ยไอ้คาว่าเห็นใจหแล้วหดหูเนี่ยแปลว่าเห็นแล้วก็รําคาญําคาญเนี่ยนะเห็นแล้วก็หงุดหงิดเห็นแล้วก็หม่นไส้เห็นแล้วก็เรียกว่าขัดเครืองเห็นแล้วก็ระคายเคืองเปรียบเหมือนอะไรว่าดวงตามองเรียวมองมองควันแล้วควันมันพ่นเข้าตาใครเคยเป็นโรคตาต้อลมมั้ง น, นะเห็นแล้วมันก็แสบตาฉันใดเรียกว่ารูปบางรูปเนี่ยเห็นแล้วมันก็แสบใจอย่างนั้นแหละว่างนั้นนะ เห็นแล้วก็รําคาญเห็นแล้วก็หมั่นซ่าเห็นแล้วก็หงุดหงิดกรรมฐานทั้งหลายไม่ปรากฏเป็นต้นเลยเนี่ยเรากาเห็นแล้วก็ขัดเคืองเปรียบเหมือนคนเป็นแผลเนี่ยนะคนเป็นแผลเนี่ยแม้กระทั่งรับกระทบแม้กระทั่งกระทบลมเนี่ยลมที่โชยสบายถ้าหากว่าผิวเป็นแผลเนี่ยจะผิวมันก็รับไม่ได้แล้วมันก็แสบมันก็คันมันก็รําคาญแล้วก็หงุดหงิดเป็นต้นมันไม่มีรูปเหล่าใดที่จะทําให้ใจของพระพุทธเจ้าเป็น อย่างนั้นพระองค์จึงไม่ขัดเคืองไม่หดหูไม่มีใจที่พยาบาทมีใจที่มั่นคงเต็มที่ดำรงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบ